วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจให้หมดสิ้นไปได้จำเป็นที่จะต้องมาทำความรู้จักกับความทุกข์ก่อน ว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์นี้พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้จากการตัศนรู้ของพระพุทธเจ้าได้ส่งพบว่าความทุกข์ก็คือการเกิดเมื่อเกิดแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากกาันเป็นสิ่งที่จะตามมา ซึ่งล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์การพัดผ่าจากกันก็เป็นทุกข์ทุกข์เหล่านี้เกิดมาจากการมาเกิดถ้าไม่มีการเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าจากกัน ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็จำเป็นที่จะต้องระ ง, งับการเกิดให้ได้และการที่จะระ ง, งับการเกิดได้นั้นจำเป็นต้องรู้สาเหตุของการเกิดว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสโลเหตุของการมาเกิดว่าเกิดจาก ความอยากสามประการด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสปวดทัพพะชนิดต่างๆแล้วก็ข้อที่สองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็อยากจะอยู่เป็นนานๆไม่อยากตายกัน응 ข้อที่สามวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่อยู่ไม่ความอยากไม่เป็นความอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายความอยากไม่พัดพากจากกันความอยากทั้งสานี้ <c oughs> เป็นสาเหตุที่นำมาให้มีการเกิดขึ้น โดยเฉพาะความอยากข้อที่หนึ่งกามาันหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆการที่จะสามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ พอถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีตาหูจมูกยิ้งกายก็จะไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆได้การเกิดจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อความต้องการของกามาตันหาถ้ามีกามาตันหาก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเพราะร่างกายเป็น ร่างกายที่มีอายตนะทั้งห้าคือมีตาหูจมูกนิ้วกายที่สามารถสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัชชนิดต่างๆได้นั้นใจที่มีความอยากในกามอยากในกามมาตัญหาก็จะหาร่างกายมาเป็นเครื่องมืออยู่เรื่อยๆเวลาที่ร่างกาย เก่าตายไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนร่างกายอันเก่าที่ตายไปเพราะความอยากคือการมาตัญหานี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันฝังอยู่ในใจและมันก็ไม่มีวันหมดถ้าตามได้ไม่รู้จักวิธีทำให้มันหมด การทำตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้ความอยากนั้นหมดไปแต่จะทำให้ความอยากนี้มีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและมีมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆ<ม>พออยากได้อะไรแล้วพอได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก<ม>เช่นโบราณที่มีคำพูดว่าได้ครุบก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้เงินสิบก็อยากจะได้เป็นเงินร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก mm hmm. ารทําตามความอยากนี้ไม่ได้ทําให้ความอยากหดหายไปหรืหมดไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆ mm hmm. นี่คือธรรมชาติของความอยากที่พาให้ ดวงวิญญาณเนื้อดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนต้องมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากการเสบรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผดสะพาชนิดต่างๆอยู่เราจึงต้องมีร่างกายและพอเรามีร่างกายเราก็ต้องมาทุกกับร่างกายเพราะร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความแก่ตามมา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมามีการพัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงตามมาทุกครั้งไปวิธีที่จะทำให้เราไม่มาเกิดได้นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดสลุว่าต้องละความอยากทั้งสามนี้ให้ได้คือไม่ทำตามความอยากเท่านั้นถึงจะทำให้ความอยาก ที่มีอยู่ในใจค่อยๆหมดไปถ้าทำตามความอยากไปเรื่อยๆความอยากก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้มีล ด, ดน้อยถอยลงถ้าอยากจะให้ความอยากต่างๆลดน้อยถอยลงก็จำเป็นที่จะต้องละความอยากแลนะการที่จะละความอยากได้นี้ พระพุทธเจาก็ส่งค้นพบวิธีวิธีหรือเครื่องมือในการที่จะละความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะว่าโดยลำพังเพียงแต่รู้ว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องละนี่แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะไม่สามารถที่จะละความอยากได้เราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมา เครื่องมือที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบก็คือมรที่มีองค์แปดหรือถ้าย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญา<ม>การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือในการที่จะละความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้<ม>ถ้าไม่มีเครื่องมือมก็จะไม่สามารถที่จะละความอยากได้ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างศีลขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นโดยการรักษาศีลก่อนเช่นรักษาศีลห้าไปก่อนพอเวลาเริ่มต้นก็เหมือนเด็กนักเรียนที่เข้าโรงเรียนใหม่ ความรู้ความสามารถที่จะเรียนวิชาที่สูงๆนั้นยังไม่สามารถที่จะทำได้ต้องเริ่มต้นจากที่วิชาที่ง่ายก่อนเช่นกอไก่ขอไข่หรือการนับหนึ่งสองสามไปก่อนเมื่อใดผ่านขั้นที่ง่ายแล้วก็จะสามารถขยับขึ้นสู่ขั้นที่ยากต่อไปได้เื้องต้นก็ให้รักษาสี่ห้าไปก่อน รักษาสินห้าได้แล้วก็มาเพิ่มเป็นสินแปดเพราะการที่จะไปเจริญสมาธิไปทำจิตใจให้นิ่งให้สงบนี้ <c oughs> จำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิให้มากๆถ้าเราถือสินห้านี้สินห้ายังไม่ห้ามกิจกรรมทางกามอารมณ์อยู่ เราเองสามารถที tattoos, ่จะไปทำกิจกรรมทางอารมณ์ได้เช่นรับประทานอาหารกี่ครั้งกี่มื้อก็ได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราก็ได้หรือหาความสุขจากการดูมหัสศพบันเทิงต่างๆก็ทำได้หรือจะนอนหลายๆชั่วโมงนอนบนเตียงที่มีผูกหนาๆที่สุขที่สบาย นอนมากเท่าไห่ก็สามารถนอนได้เพราะศีลห้ายังไม่ได้ห้ามเพราะว่าผู้ที่ถือศีลห้านี้ยังไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังใจที่จะขึ้นไปรักษาศีลแปดได้<ม>ก็เลยให้รักษาศีลห้าไปก่อน<ม>พอสามารถรักษาศีลห้าได้แล้วก็ลองมารักษาศีลแปดอาทิตย์ละหนึ่งวัน เช่นวันพระนี่เป็นวันที่เหมาะสมก่อการไปอยู่วัดไปปฏิบัติไปรักษาศีลแปดไปฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอ น, นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่ให้ปฏิบัติจากจากน้อยไปหามากจากยากจากง่ายไปหายากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะถ้าจะไปทำของที่ยากเลยในในตอนต้นนี้<ม>ก็อาจจะไม่สามารถทำได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อไม่สามารถทำได้ก็อาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย<ม><ม>เกิดความไม่อยากที่จะทำขึ้นมามถ้าเราทำตามกำลังของเราไปจากของง่ายไปหาของยากมันก็จะไม่ไม่ยากเย็นจนเกินไป เบื้องต้นเราต้องดูว่าเรารักษาสินห้าได้หไหมถ้ายังไม่สามารถรักษาทั้งห้าข้อได้ก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้เอาทีละข้อเพิ่มขึ้นไปทีละข้อก็ได้ข้อไหนที่เราเห็นว่ายะมันง่ายสำหรับเราเช่นถ้าเราไม่ดื่มสวรายาเมาเราก็ถือข้อนี้ไปก่อนแล้วเราก็เพิ่มเรื่องของการวาจาเรื่องของการพูด งนับการพูดปดได้ไหมแล้วก็เพิ่มไปข้อที่สามังับการประพฤติผิดในการมได้หรือไม่อนับการรักศัพท์ได้หรือไม่อนับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้หรือไม่ก็ค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังของเราถ้าเรามีความตั้งใจมีความปรารถนาที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดความอยาก ที่เกิดจากการกระทำบาปเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจมีความมีความยินดีที่จะสู้เพื่อที่จะรักษาศีลต่างๆเราต้องมีความปรารถนาในการหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อเรามีความปรารถนาหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เราก็ต้องสร้างศีลขึ้นมาให้ได้ก่อนอเมื่อเรามีความยินดีมีความมีกำลังใจที่จะรักษาศีลต่อไปเราก็จะรักษาศีลห้าได้พ อ, อรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติทุกวันเราก็มาเพิ่มการรักษาศีลแปดในวันพระคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เราก็มาลองรักษาศีลแปดกันดูยิ่งถ้าไปอยู่วัดได้ก็ยิ่งดีเพราะการไปอยู่วัดนี้เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการรักษาศีลแปดมากกว่าการอยู่บ้านถ้าเราอยู่บ้านกับคนอื่นนี่ถ้าคนอื่นเขาไม่ถือศีลแปดเขาก็จะกินอาหารเย็นได้เขาก็จะดูหนังฟังเพลงได้เขาจะ ทำกิจกรรมทางการอารมณ์ได้มันก็จะทำให้เราลำบากเวลาที่เห็นเขากินเวลาที่เห็นเขาดูหนังฟังเพลงใจเราก็อาจจะเกิดความอยากขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในวัดเนี่ยวัดก็เป็นที่ที่ทุกคนรักษาศีลแปดขึ้นไปพระสงฆ์องค์เจา้าก็รักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยิบเจ็ดข้อกัน<อ>ก็จะไม่มีการกระทาที่ ข่าวว่าผู้ครองเรือนกระทํากันก็นะจะไม่มีอะไรมาล่อใจมายั่วยุวนกวนใจการรักษาศีลก็จะรู้สึกง่ายขึ้นแล้วก็การรักษาศีลนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติขั้นต่อไปก็คือขั้นสมาธิเราต้องทําใจให้นิ่งให้สงบให้ใจมีความสุขให้ได้ เกิดจากการนั่งสมาธิคือเราต้องการเปลี่ยนวิธีหาความสุขเดี๋ยวนี้ตอนต้นนี้เรายังติดกับการวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพอยู่เรายังอยากดูหนังฟังเพลงยังอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปกินอาหารชนิดต่างๆดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ต, ตามความต้องการตามความอยากของเรา แต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่จะทาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะมันเป็นการมาตัญหาความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากความอยากที่จะเสพรูปเสียงก ล, ลิ่นรสนล่มันก็จะพาให้จิตนี้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องมามีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่า เปนเหมือนยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นลดผลิตัณฑ์เวลาเสพมันแล้วมันจะติดเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะรู้สึกหงดเย็ดเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีความสุขจึงต้องคอยเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลิภัพฑ์อยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะยุติการกลับมาเกิดเนี่ยเราต้องหยุดกามาตัณหาคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดด้วยการเปลี่ยนวิธีหาความสุข ไปหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบคือการเข้าสมาธินี่พอเวลาใจสงบใจนิ่งใจไม่คิดปรุงแต่งใจจะเย็นใจจะสบายมีความสุขและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบได้แล้วนี่เราก็จะสามารถ เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพราะว่าเราจะใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายเรื่อยๆ <_ d ata> แต่ความสุขที่เราได้จากการเสพทําใจให้สงบเป็นสมาธินี้จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปแต <_ d ata> เบื้องต้น เราต้องสร้างความสุขขึ้นมาด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิการที่จะทาใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้จาเป็นจะต้องมีสติสติคือการระลึกรู้ให้สติระลึกให้ใจระลึกรู้อยู่กั บ, อ า, ก อ, ใใบอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งะให้สงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน แต่สำหรับผู้เริ่มต้นนี้ก็จะใช้อารมณ์ของกรรมาฐานที่ที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นใหม่ๆก็คือการเจริญพุทธานุสติให้มีสติแล้วเลิกถึงพระพุทธเจ้าคือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่อง ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วไม่ช้าก็เร็วความคิดต่างๆก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดใจก็จะนิ่งเอาใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราสามารถได้ความสุขจากการ นั่งสมาธิแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้แทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ไปหาความสุขจากการเข้าสมาธิแทนอันนี้แต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขแบบชั่วคราวได้เฉพาะเกิดขึ้นเวลาที่เรานั่งสมาธิควบคุมความคิดให้หยุดคิดได้ ใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นบ้างยาวบ้างขึ้นอยู่กับกำลังของสติถ้ามีสติมากมีกำลังมากก็จะนิ่งได้นาน ม, มีสงบได้นานถ้ามีสติน้อยก็จะสงบได้ไม่นานแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องออกจากสมาธิมาพ อ, อ, อจากสมาธิมาถ้าเวลาเผลอไม่ควบคุมใจด้วยสติ ใจก็อาจจะไปคิดถึงเรื่องของรูปเสียงกินรสต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปสัมผัสกับรูปเสียงกินรสโดยตรงเลยก็ได้พอสัมผัสกับรูปเสียงกินรสความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกินรสก็จะเกิดขึ้นมาได้ใหม่อันนี้คือการหาความสุขในเบื้องต้นหาความสุขจากการเข้าสมาธิแล้วถ้าอยากจะรักษาไม่ให้ใจ หันไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องพยายามเจริญสติสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเนเ็นนักบวชนี่ก็จะนิยมไปอยู่ตามป่าตามเขาเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่มายั่วยวนกวนใจเพราะอยู่ตามป่าตามเขานี่ไม่มีไม่มีรูปเสียงที่จะทาให้เกิด กามฐานหาขึ้นมาผู้ที่ต้องการที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆพยายามสํารวมอินทร์ซีอยู่เรื่อยๆไม่ให้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ่าต้องมีสติคอยกํากับใจก็จะพอสามารถรักษาให้ใจมีความสงบจาก มีความสุขจากความสงบได้อีกในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากจะให้ให้ความสงบนี้เป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรก็จาเป็นที่จะต้องกาจัดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปอย่างถาวรพอการเข้าสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกาจัดความอยากให้หมดไปได้เป็นเพียงแต่กด กดความอยากไว้บีบความอยากไม่ให้โผล่ขึ้นมาอย่างที่มีคาพูดว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนเอาเอาหินไปทับหญ้าเวลาหินเวลาหญ้าถูกหินทับหญ้าก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้แต่เวลาที่เอาหินออกไม่นานหญ้าที่ถูกหินทับไว้ก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ เพราะว่าราของย่ายังไม่ได้ถูกทำลายฉันใดความอยากก็เช่นเดียวกันความอยากเวลาเข้าสมาธินี้ใช้สติใช้คำบริกรรมหรือใช้การดูลมนี้เป็นการกดความอยากไว้กดความอยากไว้ไม่ให้อยากคือหยุดความคิดเวลาหยุดความคิดความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะความอยากต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ แต่พอปล่อยให้ใจออกจากสมาธิมาปล่อยให้คิดถ้าไม่มีสติคอยควบคุมเดี๋ยวก็คิดถึงความอยากต่างๆได้ถ้าเกิดคิดไปถึงความอยากต่างๆเราอยากจะกําจัดความอยากที่โผล่ขึ้นมาในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็จําเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะมาแก้เหตุที่ทําให้เกิดความอยากเหตุที่ทําให้เกิดความอยากก็คือความหลง คือความไม่รู้ธรรมชาติของสิ่งที่ใจปริอยากเช่นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะเจริญแล้วมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาจเจริญมันก็จะให้ความสุขเวลาได้สัมผัสแต่เวลามันเสื่อมมันหมดไปมันก็จะปล่อยให้ใจเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาให้พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ ที่ใจอยากจะเสบนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนของที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสรื่อมไปเป็นธรมรมดาเวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าสามารถใช้ปัญญาสอนใจทุกครั้งที่เกิดความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้ก็ต่อไปก็จะสามารถหยุดความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้หมดเลย ต่อไปก็จะไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดอดกต่อไปแต่นอกจากความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดแล้วนี่ก็ยังมีความอยากที่หลงเหลืออยู่ชนิดหนึ่งก็คือความอยากที่จะเสพความสุขจากสมาธินี่เพราะตอนต้นเวลาที่เราจะเลิกความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดเราก็ใช้ความสุขของสมาธินี้ป เป็นเครื่องมือมาเป็นตัวแทนเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราก็มาติดกับความสุขของสมาธิหลังจากที่เราเลิกเศษ ร, รูปเสียงกิเรสได้แล้วเราก็มาติดกับการเสษสมาธิเศษความสงบถ้าเราต้องการที่จะรางับการกลับมาเกิดอย่างสิ้นเชิงคือถ้าเราระงับกามะัญหาได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดในกามะภะ แต่เรายังจะไปเกิดอยู่ในรูปภพและอรูปภพคือภพของผู้ที่ได้รูปฌานหรืออรูปฌานเป็นเครื่องมือในการละกามาตัญหาเมื่อเราละกามาตัญหาได้แล้วเราก็มาติดกับเครื่องมือที่เราใช้ละกามาตัญหาก็เรายังทําให้เรามาติดอยู่ในกามารูปภพหรืออรูปภพอยู่ถ้าเราอยากจะออกจากไตรภพออกจากรูปภพหรืออรูปภพ เราก็ต้องมาละถ้าเราติดรูปประจานเราก็ต้องละรูปประจานถ้าเราติดอารูปประชานเราก็ต้องมาละอารูปประชาน mm hmm. เพราะว่ า, ปประ า, รออารูปประชานหรือรูปประชานก็เป็นตายรักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของชั่วคราวเวลาเข้าฌานก็มีความสุขเวลาออกจากฌานมาความสุขนั้นก็เสื่อมหายไป mm hmm. ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจอยากจะกลับเข้าไป mm hmm. เข้าไปเสพใหม่อยู่เรื่อย วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับรูปปัจจานหรืออารูปปัจานก็ต้องตัดความอยากที่จะเสบรูปปัจจานและอรูปปัจจานด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่ารูปปานก็เป็นใจรักอารูปปานก็เป็นไตรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะสามารถตัดความอยากจะเสบรูปปัจจานได้ความอยากจะเสารูปปัจานได้ พอตัดความอยากทั้งสองนี้หมดไปได้การที่จะกลับมาเกิดในตายพบในสังสารวัฏก็สิ้นสุดลงก a r m a ตัณหาก็ละได้รูปฌานก็ละได้การอยากเสพรูปฌานก็ละได้ความอยากจะเสพมาลูปฌานก็ละได้เมื่อละความอยากทั้งสามนี้ได้หมดแล้วการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็จะสิ้นสุดลง ใจที่ไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจก็จะอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ปราศจากตัณหาทั้งสามนี่เองปราศจากความอยากเสกกรมกรมความอยากจะเสพรูก ป, ประชานและความอยากจะเสกรูก ป, ประชานเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะเน่งสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ ตัวที่ทำให้ใจวุ่นวายก็คือความอยากพอตัดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็จะนิ่งสงบไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจกระเพื่อมอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้ใจไปเกิดในพบต่างๆอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีการของการกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปโดยการกำจัดความอยากต่างๆความอยากจะเกิดในการมาพบ ความอยากที่จะเกิดในรูปภพความอยากที่จะเกิดในอรูปภพก็จทต้องถูกกาจัดด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลามันเสื่อมเป็นอ น, นัตตาเราไม่สามารถสั่งมันให้เป็นของเที่ยงได้เป็นของที่จะให้ความสุขเราเพียงอย่างเดียวได้มันก็เป็นไปตามภาวะของมันตามธรรมชาติของมัน พอเราเข้าใจแล้วเราก็หยุดมันเท่านั้นเองหยุดความอยากทั้งสามเราก็ใช้สติใช้ปัญญาที่เราฝึกจเจริญมานี่แหละเป็นเครื่องมือสติก็จะเป็นตัวที่จะหยุดความอยากต่างๆปัญญาก็เป็นตัวที่จะสอนให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยอย่าทำตามความอยากทำตามความอยากเร า, า, าจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดในตายภพนั่นเอง นี่ก็คือวิธีการที่เราจะมากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีเครื่องมือในการที่เราจะมาตัดความอยากต่างๆละความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากต่างๆได้ถูกกําจัดหมดสิ้นไปแล้ว ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายการพัดภาคจากการอีกต่อไปทุกที่เคยมีอยู่ในใจก็จะสิ้นสุดลงนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเด็กต่อไปเราต้องมัน ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พยายามรักษาศีลให้บอยสุดเริ่มต้นจากศีลห้าไปสู่ศีลแปดเป็นอย่างน้อยถ้าไปบวชเป็นพระก็รักษาศีลสองร้อยีิบเจ็ดถ้าบวชเป็นภิกษุณีซึ่งตับสมัยนี้ไม่มีแล้วก็สามร้อยกว่าข้อแต่ก็สามารถบวชเป็นแม่ชีได้รักษาศีลแปดหรือรักษาศีลสิบไปก็ได้เหมือนกัน สามารถที่จะสนับสนุนการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปได้เมื่อมีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนแล้วก็จะมีเครื่องมือที่จะมาละความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เมื่อความอยากหมดสิ้นไปจากใจการจะกลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดก็จะสิ้นสุดลงเช่นเดียวกันเพราะทุกย่ไม่มีกับผู้ไม่เกิดนั่นเอง ถ้าตามดายังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอนี่ก็คือเรื่องราวของการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจที่เอามานำมาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กำหนดไว้ก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ในลาดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันคือเราจะมาเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก่อน mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ใช้ความสุขจากสมาธินี้มาทดแทนการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวิธ mm hmm. ีที่จะทําให้ใจให้นิ่งให้สงบ mm hmm. ใจต้องมีสติ mm hmm. ลเลิกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งเ mm hmm. ช่นจะใช้คําบาลีคำพุโทโธก็ได้ ก็เล่าเลืกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่าทิ้งพุโทโธจนกว่าใจจะสงบหรือบางท่านอาจจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ดูลมเข้าดลูลมออกที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้อยู่ที่จุดเดียวเพราะเราต้องการให้ใจนิ่งไม่ให้ใจใจทําอะไรถ้าใจยังตามลมอยู่ในี่ใจยังไม่นิ่งใจยังต้องเคลื่อนไหวอยู่ ให้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็รู้ตรงนั้นลมหยาบลมละเอียดก็รู้ตรงนั้นลมสั้นลมยาวก็รู้ตรงนั้นนแต่ลมหายไปก็ให้รู้ตรงจุดนั้นไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบของมันเองโดยอัตโนมัติอย่าไปอยากให้มันสงบความอยากให้มันสงบมันจะมาขัดขวางอย่าไปสนใจกับผลที่จะเกิดขึ้นให้สนใจอยู่กับเหตุที่เรากําลังทําอยู่ คือการมีสติและเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเท่านั้นเองและขณะที่นั่งถ้ามีอะไรมาแทรกเข้ามามีความคิดแทรกเข้ามามีเสียงแทรกเข้ามามีภาพแทรกเข้ามาหรืออะไรก็ตามแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้อยู่กับกรรมฐานของเราไปถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าเราใช้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไป แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเราเวลาเราเริ่มนั่งใหม่ๆใจเรายังอาจจะคิดมากอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกา ร, รพุทธโธได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นั่งในท่าสมาธิหลับตาสวดมนต์ไปภายในใจสวดไปสักพักหนึ่งแล้วใจก็จะค่อยเย็นลงค่อยสงบลงจนกระทั่งสามารถมาดูลมได้หรือมาบริกา ร, รพุทธโธได้ก็ค่อยเปลี่ยน กลัมาที่การบริการพุโทโธหรือการดูลมแล้วก็อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาจิตรวมสงบเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรพยายามรักษาวความสงบไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ด้วยสติก็ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจไม่คิดแล้วจิตนิ่งเฉยๆก็ปล่อยให้มันนิ่งเฉยๆไปให้นานที่สุดเพราะความสงบนี้จะาสร้างให้ใจมีกําลังของอุเบกขา ที่จะวางเฉยที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เวลาที่มาใช้ปัญญาในการพิจารณาเพื่อรับความอยากต่างๆถ้าใจยังไม่มีอยู่เบกขากำลังพอก็จะไม่สามารถสู้กับความอยากได้นี่คือวิธีนั่งสมาธิโดยสังเกตและลำดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันประมาณสัก25นาทีด้วยกัน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 ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีไม่มากพอควรเจริญสติในระหว่างวันด้วยก่อนที่จะมานั่งเราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เราเลกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นแลวเวลานั่งสมาธิก็จะได้สงบได้นานขึ้นได้ง่ายขึ้นถ้าต่อไป น, นี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชัตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อะระโสยะาสพิเตโยวิวัจจันโตสะพโรโขวินัสตุมาเตภวัตตอันตารายุสุขิติขาโุโภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุตถะปจายโนจตารุธรมมวทานเตอายุวันโอสุขัง ก็ต้องขออภัยด้วยว่าวันนี้เวลาหมดซะแล้ววันนี้เรื่องถามตอบคำถามก็ต้องขอเว้นไว้ก่อนไว้โอกาสหน้าค่อยกลับมาสนทนาทำกันต่อขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติให้ไปเป ให้ไปพิจารณาไปปฏิบัติต่อเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ